คนที่โกรธตอบต่อบุคคลที่โกรธเนี่ยนะเป็นคนที่น่าสงสารกว่าคนที่โกรธเสียตอนแรกอีกก็เห็นเขาป่วยก็เกินะเห็นเขาเป็นหวดัดบอกไหนไหนหนายใจรดให้ทีสิเผื่อจะได้เป็นด้วยอย่างเงี้ยคนโกรธเนี่ยลักษณะเดียวกันไม่ต่างอะไรกันเลยถามว่าเราย้ําอยู่เสมอในใจว่าถ้าเราโกรธเนี่ยไม่เป็นบุญเลยนะไม่เป็นประโยชน์แกตัวเองแม้แต่นิดเดียวโทษเอกนะว่าถ้าโกรธเนี่ยเป็นเจตนาในการให้ทานไหม ไม่เป็นรักษาศีลไหมไม่รักษาภาวนานี้เจริญไหมไม่เจริญเนี่ยนะอนุโมทนาที่คนอื่นเขาทําบุญได้ไหมบอกไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นในการเจริญกุศลได้ไหมไม่ได้แสดงธรรมได้ไหมไม่ได้ฟังธรรมไหมไม่ฟังอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทํำไหมไม่อนุโมทนาอุทิศส่วนบุญให้ได้ไหมไม่ได้ ทำความเห็นให้ตรงได้ไหมบอกไม่ได้มืดไปหมดแล้วตอนนั้นเอาบุญกิเลสวัตถุสิบไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเนี่ยนะเอาเป็นอธิศีลไหมไม่เป็นอธิจิตได้ไหมไม่เป็นอธิปัญญาได้ไหมไม่เป็นเมื่อโกรธแล้วเป็นพระวินัยไหมไม่เป็นเป็นพระสูตรไหมไม่เป็นเป็นพระพิธรรมไหมไม่เป็นพระพุทธเจ้าบรรลุด้วยบารมีสิบเนี่ยถ้าเราโกรธเนี่ยเป็นทานเป็นการให้แบบพระพุทธเจ้าไหมไม่เป็น รักษาศีลตามไหมเป็นศีลบารมีไหมไม่เป็นเป็นเนขมมบารมีไหมถ้าเราโกรธก็ไม่เป็นเป็นปัญญาบารมีไหมไม่เป็นเป็นวิริยะไหมไม่ใช่ขันติไหมไม่มีมีสัจจะไหมไม่มีขณะที่โกรธขึ้นมาเป็นอธิษฐานไหมไม่เป็นเนี่ยนะแล้วก็เป็นเมตตาไหมไม่เป็นเป็นอุเบกขาไหมไม่เป็น เป็นบารมีสิบไหมไม่เป็นเป็นอุปปารมีไหมไม่เป็นเป็นปรมัตถาารมีไหมไม่เป็นขณะที่โกรธเป็นสติปัฏฐานไหมไม่เป็นสมปาปทานก็ไม่เป็นอิธิบาทมาเป็นอินทรีย์ก็ไม่เจริญพระก็ไม่มีโพชฌงองมรคไม่มีสักอย่างโกรธใบ่อยๆนี่ใกล้นี่ผ่านขึ้นไหมบอกไม่มีแต่ห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยอ่ะแล้วโกรธไปทําไมแล้วใครทําลายอะไรคะเนี่ยใครทําลายใครเห็นะ ก็เสียหายขนาดนั้นก็ยังอโกรธดีกันนะไม่ได้ก็มันทําเลวก็มันเลวอ่ะมันต้องโกรธกันบ้างให้มันรู้ซะบ้างเออแล้วใครเลวที่สุดกันแน่ก็คนที่โกรธนี่แหละสรุปว่าใครโกรธคนนั้นโง่ที่สุดอ่ะนะมันก็ถามว่าเราไม่สงสารตัวเองบ้างเลยหรือขณะที่เราโกรธความโกรธอันนี้เป็นเหตุให้เราฆ่าสัตว์ได้ไหมได้ความโกรธอันนี้เปิดประตูนรกไหมเปิดเดราชานเปิดไหมเปิดอสุรกายเปิดประตูให้ไหมเปิด เดราชานไหมเปิดไว้ไหมเปิดท่านเคยเห็นคนหน้าบิดหน้าเบี้ยวหน้าหงิกหน้าเงาหน้างอเป็นต้นไหมบอกเคยท่านโกรบไว้บ่อยๆนะต่อไปท่านจะมีหน้าแบบนั้นเลย น, นะเคยเห็นคนตาเหลือกไหมเคยเพราะอะไรนะเคยเห็นคนตาเละไหมเคยเพราะอะไร น, นะก็ทำเอาไว้เถอะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะเวลาโกรบก็เก็บภาพให้ลูกให้หลานเอาวิดีโอมาถ่ายเอาไว้ดูเป็นที่ระลึกเนี่ยนะทำใจได้ไหม ไม่ได้นะแล้วโกรธไปทําไมแลไม่น่าเชื่อเอาก็มันโกรธแล้วมันเป็นอุบัติเหตุทางจิตใจกำลังนั้นเป็นอุบัติเหตุแสดงว่าไม่ระวังเลยนะต่อไปก็ระวังน้อยกันแล้วกันอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆจ่ายแพงนนจ่ายแพงมากแพงแค่ไหนอ่ะเอาก็ทานศีลภาวนาไม่เหลือคําสอนในพระพุทธศาสนาไม่มีโพธิปักฐิธรรมไม่ยั่งอยู่แม้แต่นิดเดียวบุญกุศลคุณงามความดีถามว่าบุญกุศลราคาเท่าไหร่เอา ตีเป็นเงินทองได้ไหมบุญกุศลนไม่ได้ทีนี้ใครทำลายซะเองล่ะความโกรธที่อยู่ในใจนั้นนะประทุษร้ายใจเราเสียพินาฏย่อยยับเยินหมดเนี่ยนะถ้าตกนรกก็ไม่ต้องไปโทษใครทั้งนั้นเนะลยเราก็โกรธเองนะี่ว่ากันคนที่พิจารณาบ่อยๆพิจารณาถึงพิษภัยทุกโทษของความโกรธก็สามารถกำจัดความโกรธได้ ก็ถามดูนะเราก็พยายามเก็บข้อมูลนะ่ยดูที่คนนั้นเขาเดือดร้อนเพราะอะไรก็เพราะเขากโกรธนะที่เขาตกนรกไฟนร ก, นรกที่มันลุกท่วมอยู่ตอนนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะกลุ่นกโกรธแบบเรากโกรธตอนนี้แล้วเนี่ยนยีเดรัจฉานที่เดือดร้อนลําบากเขาเกิดจากไหนก็เกิดจากความโกรธคนที่ทุกข์ยากหลายคนที่ก็ทุกข์ยากเข้ามาจากไหนก็มาจากโกรธเออนะเพราะคุณไม่คุณเอย ค, คุณก็กําลังปฏิบัติเพื่อความทุกข์เช่นเขาเหล่านั้นนะใครมันน่าสงสารกว่าการระวัง คนที่ไปถึงจุดนั้นแล้วกับคนที่กําลังเดินตามานะก็บอกว่าคนที่อยู่ในนรกก็ก็ถือว่าโง่เขลาเต็มที่แล้วคนที่รู้ว่ามีนรกอยู่เองแล้วยังปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อตกนรกใครโง่กันเนี่ยนะโอ้น้าสงสารจริงๆเนาะมีหน้าห่างไกลพระพุทธเจ้าขนาดนี้งั้นนะนะก็เวลาที่เราโกรธเนี่ยนะมันก็สรุปว่าเวลาโกรธเนี่ยนะเราเสียหายบุญกุศลคุณงามความดีถ้าเราโกรธครั้งนี้เป็นปัจจัยให้ฆ่าสัตว์ได้ไหมบอกได้ เป็นปัจจัยให้ลักขโมยปล้นจี้ได้ไหมบอกได้เป็นปัจจัยให้ทุบตีเตะต่อยเป็นต้นได้ไหมสบายมากเนี่ยนะความโกรธแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้ทําผิดกรารเมียเป็นต้นได้ไหมได้มั้นโกรธผัวโกรธเมี ย, ยก็เลยมีเมียใหม่ไปเลยเป็นต้นเนี่ยน ะ, แ ล, ะแล้วโกรธอันนี้เป็นเหตุให้หมูสาวสาดไหมบอกโห oh! ง่ายมากคนโกรธนี่พูดบางทีเนะี่ยโรว ม, มแล้วพูดไม่ค่อยจริงเท่าไหร่มันพูดตามความโกรธใช่ไหมพูดตามความโกรธ แล้วเวลาควรลโกรธขึ้นมาเนี่ยจะมีการให้พรให้คนอื่นมีความสวยสดงดงามเป็นต้นไหมไม่เป็นอ่ไม่มีให้พรนวถามว่าด่าเขาว่าไงบ้างเอาทุกอย่างจะกลับมาหาตัวหมดเลยนะด่าคนอื่นไว้อย่างไรนะขอให้เขาเป็นอะไรเนี่ยนะตอนที่โกรธยังไงนะชาติหน้าตัวเองก็จะรับเวเหล่านั้นน ะ, นะไม่ต้องเสีย อ, อกเสียใจนะ ไปไปเห็นคนที่ถูกความโกรธครอบงำเ่ยนะคนบางคนเนี่ยนะแบบแบบผลกรรมเก่ามันให้ผลน่นะหน้าตาแกอยู่เฉยเฉยเนี่ยดูเหมือนสภาพของคนโกรธตลอดเวลาเพราะผลแห่งความโกรธวันก่อนดูรูปจันทานสองคนพี่น้องรูปจันทานไอ้จันทานคนหนึ่งเนี่ยนะไปทำอะไรไม่รู้คนระดับสูงคนวันละสูงเขาโกรธมากก็เลยเอาน้ำโกรธเนี่ยมารดเครึ่งหน้า เนี่ยนะแล้วก็หน้าเป็นแบบหน้าด่างหมดเลยนะทาอะไรเข้าก็ไม่ได้ได้แต่ความโกรธเก็บกดพยาบาทผูกเวรไว้ในใจตัวเองเนี่ยก็โกรธในวันณะต่ําเพราะเพราะมานะมานะก็บวกกับความโกรธนั่นแหละเกิดในตระกูลต่ำํำพราะเกิดมาแล้วเนี่ยหน้านี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะไม่ใช่คนเลยว่างั้นะถ้าเห็นกันกลางคืนเราวิ่งนีแนะี่ยว่าไม่ใช่คนแน่นอนเพราะนั้นความโกรธนี่ถือว่าหนักหนาสาหัสมากเวลาที่โกรธเนี่ยนะโกรธนี่สามารถที่จะ สวบผลเช่นใดบ้างเวลาเห็นคนที่ก็บอกว่าผิวพันซามทุกผิวเลยนะดูเธอะพยายามเก็บสถติไว้เธอว่าเนี่ยเพราะผลของความโกรธอย่างเขามาเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยเขเพราะแสดงว่าโอ๊ยอดีตทํามาไม่เบาจะยั่วกันแล้วกันแสดงว่าแกล้งตัวเองให้ชาดหน้าหนักกันนี้อีกหรือเปล่านะถ้าใครไม่อยากงามก็โกรธไว้เยอะๆเนี่ยนะไม่อยากงาม嘛นะบอกว่าเดี๋ยวงามมากเดี๋ยวไปทําชั่วหลายอย่างไนงะ ก็ตามใจกันแล้วกันเห็นไนหะขนาดว่าโกรธถึงขนาดว่าเคยเห็นงูไหมบางงูเนี่ยถ้ามันเข้ามาตรงนี้สักตัวเท่ากําปั้นเนี่ยนะเรานั่งฟังทำกันต่อได้ไหมไม่ได้ปไปไหนอ่ะไม่หรอกตะข่าววิ่งมาตัวหนึ่งนะตัวสองนิ้วเนี่ยวิ่งแล้วเนี่ยนะฟังแล้วเนี่ยเลยสุนัขตัวหนึ่งพันอะไรพิเศษสักแห่งหนึ่งนะพันเห็นปั๊บเนี่ยขนลุกสู้เลยนะเคยเห็นไหยดูยังกระเสือมีหมาเห็ดฝูงหนึ่ง หมาแบบโอ้ยพันธุ์มหาโหดอ่ะนะพันแบบใครว่าวหมายังหมาด้วยกันเห็นปั๊บยังร้องอิง อ, งองิโอ้ยมุดสุกนี้เลยนะแหมพันธุ์มหาเหี้ยมที่เชียงใหม่ทีนี้หมักเปิดเข้าคุติเลยปิดประตูถ้าทำอะไรก็ทําออข้างนอกอยากกัดอะไรก็กัดไปฮะตัวใหญ่มากเีอยู่สามสี่ตัวมันไปที่ไหนไปแบบฟูง้งๆอ่ะนะนั่นแหละโอ้ยหน้ามันดุจริงๆเลยคนโกรธนี่หน้าดุยังไงนะหลบหน้าหลบตาลีกไปหมดนั่นนะ ญาติญาติเนี่ยหนีไปหมดเวลาโกรธได้ใช่ไหมลูกหลานไม่กล้าเข้าไม่กล้เลยทุกคนกลัวจะฟ้าผ่าฟ้าร้องฝนตกขนองเนี่ยนะไปประสบอุบัติเหตุหลายตัวก็เลยหลบ ก, กันในระนาดไปหมดนี่นะผ่าไซลูกผ่าไส่หลานผ่าใส่โน่นใส่เนี่ยนะพอบรรยากาศปกติแล้วตัวเองนั่นแหละไปเที่ยวเยียวยาต่อไปคอยปลอบอกปลอบใจคนอื่นที่ตัวเองโกรธไปแล้วนั่นแหละนี่นะด่าคนอื่นเสร็จก็เที่ยวขอโทษเขาผิดไปแล้วผิดไปแล้ว ให้อภัยแถอะเพราะงั้นก็บอกว่าความโกรธเนี่ยยอดหวานแต่รากมันเป็นพิษนี่ยนะมีรากเป็นพิษมีมูลเป็นพิษก็เดือดร้อนพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายธรรมะเจดประการเหล่านี้เป็นธรรมะอันบุคคลผู้เป็นฆ่าศึกมุ่งแล้วเป็นธรรมะอันบุคคลผู้เป็นศัตรูธรรมแก่กันและกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธ เขาบอกว่าศัตรูเนี่ยนะต้องการอะไระต้องการทำลายศัตรูอย่างไรคนที่โกรธจะได้รับอันนั้นเหมือนอย่างที่ศัตรูต้องการทุกอย่างเลยข้อแรกดูก่อนพิสูตรทั้งหลายคนที่เป็นศัตรูกันในโลกนี้ย่อมปรารถนาคนที่เป็นศัตรูของตนอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอให้เจ้าคนนี้มีผิวพันสาม เพราะเห้รายดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะว่าคนที่เป็นศัตรูกันย่อมไม่ยินดีการที่คนที่เป็นศัตรูกันมีผิวพรรณเปล่งปลั่งดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลผู้เป็นคนขี่โกรธผู้ถูกความโกรธครอบงำมีความโกรธออกหน้าแม้เขาจะอาบน้ําแล้วอย่างสะอาดลูบไล่อย่างดีตัดผมและนวดแล้วนุ่งผ้าสะอาดก็จริงถึงอย่างนั้นเขาผู้มีความโกรธครอบงำแล้วก็ย่อมมีผิวพรรณสามเท ดูการพิสูจน์ทางหลายข้อนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่บุคคลผู้เป็นศัตรูชอบกันที่บุคคลผู้เป็นศัตรูพึงทําแก่กันและกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มักโกรธก็คิดดูนะว่าอย่างสมมติว่าคนโกรธเนี่ยเคยไหมโกรธใครเนี่ยขอให้เธอผิวงา ม, มเขามีเขามีอยู่ครั้งหนึ่ง อ, อ, อสูรคนหนึ่งเนี่ยนะสูรเนี่ยจะทําบอกว่าถ้าไปทําให้เทวดาโกรธเท่าไหร่แกจะงามขึ้นงามขึ้นงามขึ้น คนถ้าคนอื่นเขาโกรธเท่าไหร่เจ้าคนนิ่งามที่สุดเขาไปยั่วพระอินทร์บ้างพระอินทร์ก็ใชอตอนนี้ก็เลยหายตัวไปเลยเนี่ยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเพราะอะไรโดยรวมๆแล้วคนผู้มักโกรธต่อกันเนี่ยชอบคิดให้คนอื่นผิวงามเลยใช่ไหมขอให้เธอผุดพองขอให้เธอสวยสดงดงามขอให้ดูเหมือนอายุ16ปีตลอดไปอย่างเงี้ยนะคิดอย่างนี้ไหมไม่ขอให้ผิวเหมือนอะไรดา่าแต่คำพูดที่เกิดจากความโกรธเป็นสมุดฐานไม่รู้ขนมาจากไหนก็ไม่รู้ ขนเอามาละเลงทั่วไปหมดนะน่เสร็จแล้วก็ตัวเองนั่นแหละจะได้รับผลอันนั้นทั้งหมดเขาบอกว่าคนที่ที่มาโกรธเนี่ยนะคนที่เรื่องของความโกรธมีอยู่ครั้งหนึ่งพนางโรฮินีน้องสาวของพระอนุรุทธะเนี่ยนะเจ้าหญิงโรฮินีเนี่ยตอนแรกก็สวยนะตอนหลังก็เป็นผดเป็นตุ่มคล้ายๆกับโรคเรือนขึ้นเต็มตัวไปหมดเลย เสรจลก็ไม่ยอมออกจากวังนะไม่ยอมออกจากห้องอยู่ซุกๆแอบตัวอยู่ในห้องอายที่จะปรากฏตัวต่อมหาชนตอนหลังพระนุรุธาก็ไปเยี่ยมว่าอ้าวโรหินีไปไหนบอกว่านางเนี่ยซ่อนอยู่เป็นโรค เ, เป็นโรคผิวหนังนะเป็นโรคผิวหนังที่รุนแรงมากก็เลยบอกว่าเอามานี่ซิก็ไปเรียกมาก็ไม่อยากมาแต่พี่ชายเรียกก็ต้องมาอ่านะก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเธอทํากุศลไม่ดีหรือ แล้วจะทํายังไงจะเอาอะไรทํากุศลถ้เาเธอไม่มีเครื่องประดับหรือบอ ก, ก็ขายเครื่องประดับสิก็ไปบอกน้องสาวให้ขายเครื่องประดับได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งสมัยโบราณเนี่ยนะเครื่องแต่งองค์เจ้าหญิงเนี่ยนะขายได้หมื่นหนึ่งเนี่ยแต่งองค์เจ้าหญิงก็ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายนะซึ่งเป็นกรรษัตริย์มหาสารเนี่ยร่ำรวยมากเพะหมื่นหนึ่งถือว่าเยอะมากก็เลยขายได้หมื่นหนึ่งก็เลยสั่งให้ไปทำํำศาลาโรงอาหาร พอทําเสร็จเนี่ยนะพระนุรุทาก็บอกน้องสาวว่าเธอต้องดูแลความสะอาดทําบุญเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดตลอดเวลานะปฏิกัติเช็ดถูคอยทําบุญอยู่นั่นแหละในที่สุดไอ้สาลาหลังนี้ก็เสร็จก็นิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษสุสงฆ์มาฉันนางโรหินีก็ไปแอบซ่อนตัวอีกเพราะไม่กล้าเข้าสู่ธารณชนเนี่ยนะคนไม่งามเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะไม่กล้าเข้าสู่สมาคมเลยใช่ไหมไม่ต้องการคยกว่าไม่ต้องการเห็นรูปของตัวเองด้วยซ้ําไปเพราะว่ามันเป็นความอาภับชนิดหนึ่งเหมือนกันงน เสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าก็สั่งว่าไหนโรหินีเปไหนก็มาเฝ้าเธอรู้ไหมว่าทําไมเธอจึงผิวพันสามบอกไม่รู้พระเจ้าข่าบอกว่าก็เพราะอดีตเนี่ยนะเธอเป็นคนมักโกรธเนี่ยนะเธอเป็นคนมักโกรธบอกว่าเล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยโรหินีเนี่ยเป็นมเหสีของพระเจ้าพารณสีก็ไปมริษยาสนมคนหนึ่งเข้าเนี่ยนะริษยาสนมคนหนึ่งซึ่งเป็นสนมที่โปรดปรานของพระราชานะีก็เลยเอา หมามุย่ยผงตําแยเนี่ยไปราดที่นอนของเธอทั้งหมดเสร็จแล้วก็เอานะเอ า, เอาผงหมามุย่ยผงตําแยเนี่ยไปรถใส่ตัวนะพวกพวกลูกเต่าร้างพวกอะไรนะไปสใส่เสร็จแล้วก็นางก็แผลผูกพองก็ไปนอนบนที่นอนที่ราดไปด้วยพวกผงเต่าร้างผงหมามุย่ยเป็นต้นผิวก็ยิ่งถลอกปอกเปิกเป็นต้นไปนหมดเลยนะ บอกว่าด้วยกรรมมั น, นั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกับปานาติบาติฆ่านะครับวันกรรมตัวนั้นก็ไม่นําเกิดแต่ก็ให้ผลในประวัติกรมทันเวลาเกิดมาก็ผิวพันนี่หยาบมากนะก็เนื่องจากกรรมที่เคยไปประทุษร้ายผู้อื่นทั้นเวลาคนที่โกรธขึ้นมาเนี่ยนะทำทุกขเหล่าใดให้แก่ชนอื่นด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับมาหาตนทั้งหมดมันคนผู้โกรธเนี่ยนะก็มีผิวพันซามเนี่ยนะผิวก็ ก็เชื่อเธ อ, เธอโกรธแล้วถ่ายรูปเอาไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกดูเธ อ, อ น, นะทําใจได้ไหมน้องยิงเล็กนะเวลาโกรธก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกอย่างเงี้ยทาใจไม่ได้เลยนะแต่ว่าไม่อยากไม่อยากเห็นหน้ากล้องทั้งนั้นเลยนะกลัวจะระลึกถึงความหลังครั้งเมื่อโกรธอย่างเงี้ยเพรันเวลาโกรธแล้วก็ผิวเนี่ยทําใจไม่ได้เลยจริงๆนะ